มีมปัญหามีไหมไก่แล้ววันนี้ไก่ชิตังเมไก่ชิตังเมแล้วอีกสิบห้านาทีอีกสิบห้านาที ใครที่ได้รับความสงบก็ค่อยๆขยับออกมารักษาเอาไว้ประคองเอาไว้อย่าปล่อยมัน อทำให้เขาทุกข์มากคิดใหญ่จะฆ่าตัวตายอยากขอท่านพราจารย์ชีแ้แนะแนวทางมาเพื่อจะได้เป็นแนวทางให้เขาครับอืมพูดมาหลายรอบแล้วฆ่าตัวตายก็คือพยายามดับทุกข์ผิดที่พยายามดับทุกข์ผิดที่เราก็ต้องย้อนพิจารณาถึงกรรมของเรา ในเมื่อเรามีวิบากกรรมอยู่อย่างนี้ทั้งไม่เราถึงจะหมดทุกทางใจเราต้องยอมเราในขณะเดียวกันก็แก้ไขไปตามเหตุตามปัจจัยหายุพหายาหาหมอในขณะเดียวกันก็เราเลิกถึงกรรมของเราด้วยสร้างสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศล กอไปทดแทนกรรมอุทิศส่วนบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรมันก็มีวิธีางั้นดูแค่ว่าเขาไปปล่อยสัตว์ปล่อยเนื้อปล่อยปลาและอุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรเป็นการไถ่ชีวิตสัตว์ แต่อันนี้เป็นผลกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นสดๆร้อนๆด้วยเจตนาของเราไม่อยากเปลียนเปียนสัตว์บางทีก็อาจจะทำให้เจ้ากํานายเวรหรือเวรภัยเหล่านั้นเนี่ยบบาบางลงได้มันทำให้หายเร็วเจ็บแค่ไดนป่วยเนี่ยถ้าเราได้ทำอย่างนี้มันรู้สึกมันหายเร็ว มันเกิดขึ้นเราจะไปดับทุกข์ดับสมุทยัยเหตุเกิดของทุกข์ร่างกายราเราเจ็บก็เลยป่วยเป็นโรคนันเป็นโรคนี้เราเข้าไปดูไปดับเหตุของมันโรคใบรัดถ้านก็ดับใบรัดโรคกระดูก้าไประงับกระดูกทำให้กระดูกมันปกติโรคเส้นโรคเอ็น มันหักมันยืดมันขอดเราก็ไปแก้เส้นเอ็ให้มันดีเป็นตับเป็นไตเป็นปอดแม้แต่เป็นมะเร็งเป็นตัวร้ายเนี่ยเ ข, เขาพยายามรักษาชะลอมันอยู่ได้ตั้งนานบางคนหายขาดด้วยซ้าไปแต่ในกณะเดียวกันเราก็ดูแลแก้ไขไปภายในใจต้องยอมรับยอมรับ ยอมรับตามสภาพที่มันมีที่มันเป็นโอ้กรรมของเราพิจารณาปรองถึงเรื่องเกิดของกรรมอย่าไปดับตัวทุกข์ให้ดับเหตุให้เกิดทุกข์ถ้าเราดับเหตุให้เกิดทุกข์เ่งเราดับไปที่ใจไม่ไปคิดเสริมทำให้เรามีความทุกข์เพิ่มขึ้นมากขึ้นผู้ที่ดูแลคนเจ็บไขยได้ป่วย ก็ต้องพิจารณาโอสมมติเป็นพ่อเป็นแม่ของผู้ป่วยอ๋อลูกของเรามีกรรมก็ยอมรับไปดูแลรักษาไปเท่าที่เราจะสามารถดูแลรักษาได้โอ้ที่มันกรรมมันหนักมากรักษาเท่าไรก็ไม่หายก็จาเป็นจำใจต้องดูแลรักษาไปอยู่อย่างนั้นยอมรับตามสภาพนั่นแหละมันเป็นเหตุ ดึงความทุกข so, so ์ออกจากหัวใจได้ไม่ไปคิดไปซ้ําเติมในหัวใจของตัวเองก็พอจะมีความสุขอยู่บ้างอ้าอกครับเวลาบริกรรมพุทโธจนจิตเริ่มสงบจะเห็นจุดแสงเล็กๆจึงละพุทโธไปเพ่งที่จุดแสงนั้นพอจุดแสงหายไปจึงกลับมาบริกรรมพุทโธอีกพอเห็นจุดและ จุดแสงอีกก็กลับไปเพ่งจุดแสงสลับไปสลับมาจนกระทั่งพุทโธและจุดแสงหายไปจิตสมงบเหลือแต่ตัวผู้รู้กลับเรียนถามว่าวิธีการทําเช่นนี้ทําได้หรือไม่ควรทําอย่างไรครับก็ได้รู<อ>้ดูสิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่แล้วไปยึดอย่าไปยึดว่าเราเห็นอย่าไปยึดว่าเรารู้เราไปยึดว่าเราเห็น มันมีได้มันเปลี่ยนได้มันเห็นได้แต่พยายามข้อสำคัญที่สุดข้อสำคัญที่สุดพยายามดูให้มันชัดถ้าเราดูไม่ชัดเราเลหละหลอกเราเองต่อไปครับคาถามเจนโมงกฎธรรมชาติอนิจจงทุกขังอนัตตาถ้าไม่มีคนอนิจจ์บนโลกนี้ทุกขังจะมีความ อยู่เป็นจํารูปภาวะของมันก็คื อ, อทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมทั้งวัตถุที่อยู่รอบข้าขงตัวเรามันเปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะที่ว่าไม่เที่ยงไม่คงที่แล้วก็เปลี่ยนไปมันก็มีภาวะอย่างอย่างนั้นแต่ถ้ า, ามันไปเป็นกับก้อนหินก้อนหิน ม, มันไม่มีวิญญาณไปรับทุกข์ถ้ า, ามันไปเป็นกับต้นไม้ ต้นไม้มันไม่มีวิญญาณไปรับทุกข์นีมันก็เป็นไปตามหลักธรรมชาติของมันบางทีภูเขาถลม่มทลายเป็นลูกๆมันก็มีไม่มีวิญญาณผู้รู้ไปรับทุกข์สิ่งเหล่านั้นจะหมดไปไหนมันก็มีอยู่ประจำโลกแต่ถ้ามีจิตที่ไหนเมื่อไหร่ภาวะเหล่านี้ไปเกิดที่จิตเช่นอย่างไปเกิดในกายของจิตดวงนั้นโดยเหตุที่จิตมันยึดกายจิตดวงนั้นก็ยิ่งทุกข์ เพิ่มเติมเข้าไปอีกโรปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันมีพร้อมกับเราที่เราเกิดในปันเจริญ น, นี่ถ้าเปิดถ้าเปิดโลกที่ไม่มีสัตว์โลกไหนอะที่ไม่มีสัตว์อะโลกไหนที่ไม่มีสัตว์กามาโลกรูปโลกอรูปโล ก, โล ก, โลกอัดแน่นไปด้วยสัตว์กามาโลก เราจะว่ามีเฉพาะมนุษย์เราสัตว์ในอาบายนั่นนะคือกาลาโลกสัตว์เอริชาเราไปดูสิเต็มไปหมดดูในท้องทะเลปลาอะไรบ้างเต็มไปหมดถ้าใครใครเคยดูสารคดีม่รู้ปลาอะไรเทอะไรเต็มไปหมดถ้าเราเคยไปสังเกตสังเกตดูในในน้านในาน้ําคลําในาน้ําที่ขันไม่รู้สัตว์ตัวเล็กตัวใหญ่ไม่รู้ลุกออดลูกเกืออะไรเของอะไรเต็มไปหมด ทั้งตัวยาวทั้งตัวสั้นบางทีก็ทั้งตัวมีปีกทั้งอะไรเทวอะไรนะั่นสิ่งวันนี้มันก็มีอยู่เป็นจำนของมันอะไร<า>อีกหืมคำถามหมดแล้วเอาจนคําถามหมดนะเห็นไหมเหลือที่ไหนเอาจนคําถามหมดอื สิ่งที่ไม่มีวิญญาณครองท่านพูดถึงเรื่องสังขารท่านพูดถึงเรื่องสังขารสังขารที่มีใจครองสังขารที่ไม่มีใจครองนี่สิ่งที่อยู่รอบข้างตัวเร า, าสังขารที่ไม่มีใจครองเป็นต้นไม้เป็นเสาเป็นแผ่นปูนเป็นแผ่นอิฐแผ่นกระเบื้องเป็นอะไรตัวอะไรสังขารที่ไม่มีใจครอง มันมีลักษณะอนิ่จังทางหน้าตามันก็มีอยู่นั่นแหละแต่มันมีมันไม่มีตัววิญญาณไปรับทุกข์มันจะมีเท่าไหร่แต่ช่างมันแล้วไม่มีหัวซาของมันมันสาคัญว่าใจของเรามันเป็นวิญญาณมันรับรู้รับทราบใจหนึ่งเดียวที่มีท่ารู้แล้วก็ท่ารู้หนึ่งเดียวแสดงโลกนี้ให้ปรากฏกับเราทําให้เรารู้สุขทําให้เรารู้ทุกข์ เห็นไหมผลมันพุ่ันตา ม, มาถ้าไม่เรามีกิเลสมีตัะหาัอาสวะทำให้เราดีใจทําให้เราเสียใจทาให้เรามีปัญหาสรารพัดเกิดขึ้นในหัวใจสิ่งมันนี่มันตามมาสิ่งมันนี่มันตามมาสังขารที่มีใจครองสังขารที่ไม่มีใจครอง อ๋อปริยนี่ครับคำถามหลงคาถามหลงเรือหามาเอาแค่ไปเดียวเดียวเลยครับในระหว่างที่ฟังธรรมที่ท่านพระอาจารย์เทศสอนคภาวนาอย่างไรหรือควรตั้งใจฟังที่เท่น้อย่างเดียวในขฟังให้เข้าใจในในขณะที่เราตอบปัญหาก็ฟังให้เข้าใจถ้าเราไม่อยากทิ้งคำบริกรรมเราก็บริกรรมไปสิ เราลองทดลองดูทีเราไม่ทิ้งคำบริกรรมพุโทโธพุโทโพุโทธโท่านพูดอะไรก็ได้ของท่านไปบางทีมันก็ไปแอบเข้าใจมันแอบได้ยินมันแอบเข้าใจอยู่มันไม่เสียถ้ามันไม่อยู่กับคำตอบของธรรมะมันก็ไม่อยู่กับอารมณ์ที่เป็นธรรมเนะี่ยมันไม่เสียมันเสียไ ม, ไม่เสียไปไหนการครับผูดถามอธิบายต่อว่าในขณะฟังเข้าใจเนื้อห มีขั้นเทศสอนแต่พอกลับไปก็ลืมนึกไม่ออกแบบนี้ถือว่าเป็นการฟังที่ถูกต้องหรือไม่อ๋อก็เข้าใจอยู่แต่มันลืมมันสัญญานี่จ๋ามันลืมได้ลืมได้นมาจําใหม่ลืมได้มาจําใ ห, หม่อันนี้เป็นสุตตะมันเป็นปัญญาขั้นสุตตะ ถ้าเรากลับไปแล้วเราไม่จินตะมาคิดมันดึกมาใช้มาโคลเอ๊่ท่านพูดอะไรเนะาะท่านพูดอะไรเนาะบาทีเราจับได้อยู่ประเด็นสอประเด็นเราก็ไปคิดถึงสิ่งเหล่านั้นนะคิดกลับไปกลับมาคิดทบทวนไปทบทวนมนะทบทวนมาท่านพูดถึงเรื่องสังขารสังขารอะไรบ้างโอ้สังขารคือสิ่งตั้งแต่สองสิ่งเป็นต้นไปมันประกอบกันภาวะของมัน ที่เรียกว่าลักษณะของมันก็คือมันไม่คงที่มันเปลี่ยนไปมีแค่ไม่คงที่แล้วก็เปลี่ยนไปไม่มีใครสามารถจะไปบอกให้มันคงที่ได้ไม่มีใครสามารถจะไปบอกไม่ให้มันเปลี่ยนไปได้โดยเหตุที่เราบอกมันไม่ได้นั่นแหละคือภาวะของอนัตตาถ้าเราจำได้แค่นี้เราก็ไป่คลวนไปใคร่ครวญมาใคร่ครวญไปใคร่ครวญมาใคร่ครวญมาที่กายของเรามันเริ่มมาเป็นภาคปฏิบัติ ให้ควรมาที่กายของเรามันไม่คงทนเออมันเปลี่ยนไปมันไม่คงทนมันมันเปลี่ยนไปดูอะไรก็ไม่ทันใจดูอะไรก็ไม่ทันใจเรารูมาที่ลมหายใจลมหายใจเข้าลมหายใจออกเอมันหายใจเข้ามันหายใจออกสเก็ตสังการหรือหรือมันก็พิจารณาอารมณ์ต้องการให้มันหยุดนิ่งๆอยู่อย่างนี้เดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปนู่นต้องการให้มยุดอยู่กับตัวนู่น มันก็เปลี่ยนมานี้ก็มันก็เปลี่ยนไปมันก็เปลี่ยนมาต้องการสิ่งนั้นให้เป็นไปตามใจหวังของตัวเองคนนั้นสิ่งนั้นน่าใจอย่างนั้นน่าใจอย่างนี้มันไม่ติดเป็นไปตามนั้นนั่นแหละคือความไม่คงที่ของ ม, มาันเราเห็นประโยชน์จากการที่เราเห็น <und> คืออะไรประโยชน์ที่เราเห็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากเราเห็นนะทําให้เราคลายจางจากการยึดติดไม่ยึดมัน่นไม่ถือมั่นสิ่งนั้น เพราะอุปาวะใดๆก็ตามในนลงแม้หนึ่งเดียวไม่เคยมีสิ่งใดที่จะอยู่คงที่ต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปแม้แต่สภาพร่างกายของเราแม้แต่กำลังวังชาของเราแม้แต่สติปัญญาของเราแม้แต่สัญญาของเราแม้แต่วิญญาณของเราไม่มีอะไรคงที่สักอย่างเราพิจารณาดูอย่างนี้หมายความว่าเราคิดดักหน้าดักหลังมัน พอเวลามันเป็นแล้วเราก็ไม่ทุ้งใจก็ของมันจำเป็นจะต้องเป็ยนของมันจะต้องดีของมันจะต้องเป็นอ่ามันเป็นอย่างนี้มันมีอย่างนี้เอวังไม่ยังมีกายอยู่กายของนี้กายนี้มีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้เอวังธรมกมเป็นภาวะของธรรมชาติมีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้เอวังพาวีเอวังอนัตติโต ไม่เป็นอื่นไปได้มีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้พระยาดท่านจึงให้ใช้สติสัจธรรพิจารณาเห็นหลัก ส, สิงเหล่านั้นสัจธรรมเป็นธรมรมชาติอ๋อธรมรมชาติเหล่านี้มีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้ไม่ขึ้นอยู่ในการบังคับบัญชาของใครความด้วยความคิดมันไม่ได้ไปยึดใครว่าคนนั้นเป็นเจ้าของคนนี้เป็นเจ้าของไม่ได้ไปยึดหากตั้หาตั้หาอย่างเดียวมัน ขึ้นมาเป็นเจ้าของก็ไปจับจองนี่ไปจับจองนี่ไปจับจองเสิ่งนึงไปจับจองสิ่นี้จับจองสิ่งนั้นครุดม้าดลุดมือจับจองสิ่งนี้ครุดม้าดลุดมือจับจองสิ่งนั้นเผิดหวังจับจองสิ่งนี้ก็ผิดหวังไม่เป็นไปตามใจหวังผิดหวังแต่ละครั้งกับทุกแต่ละครั้งผิดหวังกับเรื่องเล็กกับทุกเล็กผิดหวังกับเรื่องใหญ่กับทุกใหญ่ผิดใบครั้งเข้าเนี่ยคือกองทุกทับสอหัวใจสาเหตุของมันคืออะไรก็คือไปยึดนั่นแหละ เพราะฉะนั้นเรก็พิจารคลี่คลยแล้วก็ปล่อยแล้วก็วางอ้าวต่อไปหมดเวลานี่ยชีตังเมชีตังเมเอือหมดเวลาก็รู้ว่าหมดเวลาสิชีตังเมไปดีใจทำไมจะได้กลับแล้วจะได้ต้มแล้วอา้าวยุติแค่นี้วันนี้ ตรงนี้เรามาเท่าไห ร, ร่ตีละพันตีสีสีครึ่งมโรมกันตีสีครึ่งมาโรมกั น, 4, น, น, กนแล้วตีห้าเราขึ้นมาใช่ไหมตีห้าเราขึ้นมาอเอาเราเข้าใจตามนี้จากนั้นเรามีอะไรพูดคุยกันกัแล้วแต่นะเรากราบแล้วเราไปแล้ะพราเตรียมพร้อมครับพร้อมแล้ว